การช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยวิธีแบบพุทธความเจ็บป่วยเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่ได้เกิดผลกระทบต่อร่างกายเท่านั้นหากยังมีอิทธิพลต่อจิตใจด้วยคนที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่แล้วจึงไม่ได้มีความเจ็บป่วยทางกายเท่านั้นหากยังมีความเจ็บป่วยทางจิตใจอีกด้วยยิ่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยแล้วความเจ็บป่วยทางจิตใจเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานไม่น้อยไปกว่าความเจ็บป่วยทางกาย หรืออาจจะมากกว่าด้วยซ้ำเพราะสิ่งที่เผชิญเบื้องหน้าเขาคือความตายและความพลัดพรากสูญเสียอย่างสิ้นเชิงซึ่งกระตุ้นเราวความกลัวความวิตกกังวลและความรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวให้ผุดขึ้นมาอย่างเข้มข้นรุนแรงอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยจึงต้องการการดูแลรักษาทางจิตใจไม่น้อยไปกว่าการดูแลทางร่างกายและสําหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งแพทย์หมดหวังที่จะรักษาร่างกายให้หายหรือดีขึ้นกว่าเดิมแล้วการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจกลับจะมีความสำคัญยิ่งกว่าเพราะแม่ร่างกายจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อย แต่จิตใจยังมีโอกาสที่จะกลับมาดีขึ้นหายทุรนทุรายจนเกิดความสงบขึ้นได้แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายของชีวิตทั้งนี้เพราะกายกับใจแม้จะสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแต่เมื่อกายทุกข์ไม่จำเป็นว่าใจจะต้องเป็นทุกข์ไปกับกายด้วยเสมอไป เราสามารถรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับกายได้ดังพระพุทธองค์ได้เคยตรัสแก่นักกุลปิตาอุบาสกผู้ป่วยหนักว่าขอให้ท่านพิจารณาอย่างนี้ว่าเมื่อกายเรากระสับกระสายจิตเราจะไม่กระสับกระสาย ในสมัยพุทธกาลมีหลายเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์และพระสาวกได้ทรงมีส่วนช่วยเหลือผู้ที่กำลังป่วยและใกล้าตายเป็นการช่วยเหลือที่มุ่งบำบัดทุกข์หรือโรคทางใจโดยตรงดังมีบันทึกในประทรายบิดดกว่าคราวหนึ่งทีคาวุอุบาสกป่วยหนักได้ขอให้บิดาช่วยพาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ และกราบทูลว่าตนเองป่วยหนักเห็นจะอยู่ได้ไม่นานพระพุทธองค์ทรงแนะให้ทีฆาวุอุบาสกตั้งจิตพิจารณาว่า มีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าสองจักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรมสามจักมีความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์สี่จักตั้งตนอยู่ในศีลที่พระอริยสเส ร, ริน ทีคาวุทูลว่าได้ประกอบตนอยู่ในธรรมทั้งสี่ประการแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงแนะให้ทีคาวุพิจารณาว่าสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาทีคาวุได้พิจารณาเห็นตามนั้นหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกไปไม่นาน ทีคาวุก็ถึงแก่กรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสในเวลาต่อมาว่าอเนส่งจากการที่ทีคาวุพิจารณาตามที่พระองค์ได้ตรัสสอนทีขาวุได้บรรลุเป็นพระอนาคามีในอีกที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนว่าเมื่อมีอุบาสกป่วยหนักอุบาสกด้วยกันพึงให้คำแนะนำสี่ประการว่าจงมีความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และมีศีลที่พระอริยะสันเสริญจากนั้นให้ถามว่าเขายังมีความห่วงใยในมารดาบิดา ในบุตรและภริยาและในกามคุณห้าอยู่หรือพึงแนะให้เขาละความห่วงใยในมารดาบิดาในบุตรและภริยาและในกามคุณห้านั่นคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจากนั้นก็แนะให้เขาน้อมจิต สู่ภพภูมิที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นละจากพรหมโลกน้อมจิตสู่ความดับแห่งกายตนอันเป็นความหลุดพ้นเช่นเดียวกับการหลุดพ้นจากอาสวะกิเลส กรณีของพระติสสะเป็นอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจพระติสสะได้ล้มป่วยด้วยโรคร้ายมีตุ่มขนาดใหญ่ขึ้นเต็มตัวตุ่มที่แตกก็ส่งกลิ่นเหม็นจนผ้าสบงจีวรเปื้อนด้วยเลือดและหนองเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงเสด็จไปดูแลรักษาพยาบาลผลัดเปลี่ยนสบง จีวตรตลอดจนถูสรีระและอาบน้ำให้พระติสสะเมื่อสบายตัวและรู้สึกดีขึ้นพระองค์ก็ตรัสว่าอีกไม่นานกายนี้จะนอนทับแผ่นดินปราศจากวิญญาณเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งแล้วหาประโยชน์ไม่ได้พระติสสะพิจารณาตาม เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเสร็จพระติสก็บรรลุเป็นพระอระหันต์พร้อมกับดับขันไปในเวลาเดียวกัน ตัวอย่าง3มกรณีที่เล่ามามีข้อพิจารณา2ประการคือหนึ่งความเจ็บป่วยและภาวะใกล้าตายนั้นแม้จะเป็นภาวะวิกฤตหรือแตกสลายในทางกายแต่สามารถเป็นโอกาสแห่งความหลุดพ้นในทางจิตใจหรือการยกระดับในทางจิตวิญญาณได้ความเจ็บป่วยและภาวะใกล้าตาย จึงไม่ได้เป็นสิ่งเลวร้ายในตัวมันเองหากใช้ให้เป็นก็สามารถเป็นคุณแก่ผู้เจ็บป่วยได้ 2. คํคำแนะนำของพระพุทธเจ้าสามารถจำแนกเป็นสองส่วนคือ 1. การน้อมจิตให้มีศรัทธาในพระรัตนตรยัยและความมั่นใจในศีลหรือความดีที่ได้บำเพ็ญมา กล่าวอีกในหนึ่งคือการน้อมจิตให้ระลึกถึงสิ่งที่ดีงามสองการละความห่วงใยและปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงเพราะแลเห็นด้วยปัญญาว่าไม่มีอะไรที่จะยึดถือไว้ได้เลยคำแนะนำของพระพุทธเจ้าดังกล่าวเป็นแนวทางอย่างดีสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ แก่ผู้ใกล้ตายในปัจจุบันในบทความนี้จะนำหลักการดังกล่าวมาประยุกต์สำหรับแพทย์พยาบาลและญาติมิตรที่ต้องการช่วยเหลือผู้ใกล้ตายโดยนำเอาประสบการณ์จากกรณีตัวอย่างอื่นๆมาประกอบเป็นแนวทางดังต่อไปนี้ ประการที่หนึ่งให้ความรักและความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่เพียงถูกความเจ็บปวดทางกายรุมเร้าเท่านั้นหากยังถูกรบ ก, กวนด้วยความกลัวเช่นความกลัวตายกลัวที่จะถูกทอดทิ้งกลัวที่จะตายอย่างโดดเดี่ยวอ้างว้าง กลัวสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าหลังจากสิ้นลมตลอดจนกลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นความกลัวดังกล่าวอาจสร้างความทุกข์ให้แก่เขายิ่งกว่าความเจ็บปวดทางกายด้วยซ้ำความรักและกำลังใจจากลูกหลานญาติมิตรเป็นสิ่งสำคัญในยามนี้เพราะสามารถลดทอนความกลัว และช่วยให้เขาเกิดความมั่นคงในจิตใจได้พึงระลึกว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายนั้นมีสภาพจิตที่เปราะบางอ่อนแออย่างมากเขาต้องการใครสักคนที่เขาสามารถพึ่งพาได้และพร้อมจะอยู่กับเขาในยามวิกฤตหากมีใครสักคน ที่พร้อมจะให้ความรักแก่เขาได้อย่างเต็มเปี่ยมหรืออย่างไม่มีเงื่อนไขเขาจะมีกำลังใจเผชิญกับความทุกข์นานาประการที่โหมกระหน่าเข้ามาความอดทนอดกลั้น เห็นอกเห็นใจอ่อนโยนและให้อภัยเป็นอาการแสดงออกของความรักความทุกข์ทางกายและสภาพจิตที่เปราะบางมักทำให้ผู้ป่วยแสดงความหงุดหงิดกราดเกี้ยวออกมาได้ง่ายเราสามารถช่วยเขาได้ด้วยการอดทนอดกลั้นไม่แสดงความขุนเคือง ชุนเฉียวตอบโต้กลับไปพยายามให้อภัยและเห็นอกเห็นใจเขาความสงบและความอ่อนโยนของเราจะช่วยให้ผู้ป่วยสงบนิ่งลงได้เร็วขึ้นการเตือนสติเขาอาจเป็นสิ่งจำเป็นในบางครั้งแต่พึงทำด้วยความนุ่มนวลอย่างมีเมตตาจิต จะทำเช่นนั้นได้สิ่งหนึ่งที่ญาติมิตรขาดไม่ได้คือมีสติอยู่เสมอสติช่วยให้ไม่ลืมตัวและประคองใจให้มีเมตตาความรักและความอดกลั้นอย่างเต็มเปี่ยม จะพูดให้กำลังใจแก่เขาอย่างไรดีเพียงแค่การใช้มือสัมผัสผู้ป่วยด้วยความอ่อนโยนก็ช่วยให้เขารับรู้ถึงความรักจากเราได้เราอาจจับมือจับแขนเขาบีบเบาๆกอดเขาไว้หรือใช้มือทั้งสองสัมผัสบริเวณหน้าผากและหน้าท้อง พร้อมกับแผ่ความปรารถนาดีให้แก่เขาสำหรับผู้ที่เคยทำสมาธิภาวนาขณะที่สัมผัสตัวเขาให้น้อมจิตอยู่ในความสงบเมตตาจากจิตที่สงบและเป็นสมาธิจะมีพลังจนผู้ป่วยสามารถสัมผัสได้ เมตตายอย่างหนึง่งที่ชาวพุทธที่เบตนิยมใช้ก็คือการน้อมใจนึกหรืออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยหรือเราเคารพนับถือเช่นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์หรือเจ้าแม่กวนอิมให้มีความรู้สึกว่าท่านเหล่านั้นปรากฏเป็นภาพนิมิตอยู่เหนือศีรษะของผู้ป่วย จากนั้นจินตนาการว่าท่านเหล่านั้นได้เปล่งรังสีแห่งความการุณาและการเยียวยาเป็นลำแสงอันนุ่มนวลอาบรดทั่วร่างของผู้ป่วยจนร่างของผู้ป่วยผสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลำแสงนั้นขณะที่น้อมใจนึกภาพดังกล่าวเราอาจสัมผัสมือของผู้ป่วยไปด้วย หรือนั่งสงบอยู่ข้างๆเตียงผู้ป่วยก็ได้ประการที่สองช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึงการรู้ว่าวาระสุดท้ายของตนใกล้จะมาถึง ยมช่วยให้ผู้ป่วยมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจในขณะที่สังขารยังเอื้ออํานวยอยู่แต่มีผู้ป่วยจํานวนมากที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าตนเป็นโรคร้ายที่รักษาไม่หายและอาการได้ลุกลามมาถึงระยะสุดท้ายแล้วการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยปกปิดความจริงไม่ให้ผู้ป่วยรับรู้ ย่อมทำให้เขามีเวลาเตรียมตัวได้น้อยลงอย่างไรก็ตามการเปิดเผยความจริงซึ่งเป็นข่าวร้ายโดยไม่ได้เตรียมใจเขาไว้ก่อนก็อาจทำให้เขามีอาการซุดหนักลงกว่าเดิมโดยทั่วไปแล้วแพทย์จะมีบทบาทสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะหลังจากที่ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยแล้ว แต่แม้กระนั้นการทำให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่กำลังจะเกิดขึ้นมักเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานนอกเหนือจากความรักและความไว้วางใจแล้วแพทย์พยาบาลตลอดจนญาติมิตรจำต้องมีความอดทนและพร้อมที่จะฟังความในใจจากผู้ป่วย แต่บางครั้งหน้าที่ดังกล่าวก็ตกอยู่กับญาติผู้ป่วยเนื่องจากรู้จักจิตใจผู้ป่วยดีกว่าแพทย์ญาตินั้นมักคิดว่าการปกปิดความจริงเป็นสิ่งดีกว่าจะดีสำหรับผู้ป่วยหรือตนเองก็แล้วแต่แต่เท่าที่เคยมีการสอบถามความเห็นของผู้ป่วยผู้ป่วยส่วนใหญ่ต้องการให้เปิดเผยความจริง มากกว่าที่จะปกปิดและถึงจะปกปิดในที่สุดผู้ป่วยก็ย่อมรู้จนได้จากการสังเกตอากับกิริยาของลูกหลานญาติมิตรที่เปลี่ยนไปเช่นจากใบหน้าที่ไร้รอยยิ้มหรือจากเสียงพูดที่ค่อยลงหรือจากการเอาอกเอาใจที่มีมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อบอกข่าวร้ายแล้วใช่ว่าผู้ป่วยจะยอมรับความจริงได้ทุกคนแต่สาเหตุอาจจะมีมากกว่าความกลัวตายเป็นไปได้ว่าเขามีภารกิจบางอย่างที่ยังค้างค้างอยู่หรือมีความกังวลกับบางเรื่องญาติมิตรควรช่วยให้เขาเปิดเผยหรือระบายออกมา เพื่อจะได้บรรเทาและเยียวยาหากเขามั่นใจว่ามีคนที่พร้อมจะเข้าใจเขาเขาจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเผยความในใจออกมาขณะเดียวกันการซักถามที่เหมาะสมอาจช่วยให้เขารอรึกรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้เขามิอาจยอมรับความตายได้หรือทําให้เขาได้คิดขึ้นมาว่า ความตายเป็นสิ่งที่ม่อาจหลีกเลี่ยงได้และไม่จำต้องลงเอยเลวร้ายอย่างที่เขากลัวสิ่งที่ญาติมิตรพึงตระหนักในขั้นตอนนี้ก็คือรับฟังเขาด้วยใจที่เปิดกว้างและเห็นอกเห็นใจพร้อมจะยอมรับเขาตามที่เป็นจริงและให้ความสำคัญกับการซักถามมากกว่าการเทศนาสั่งสอน การช่วยให้เขาคลายความกังวลเกี่ยวกับลูกหลานหรือคนที่เขารักอาจช่วยให้เขาทำใจรับความตายได้มากขึ้นบางกรณีผู้ป่วยอาจระบายโทสะใส่แพทย์พยาบาลและญาติมิตรทั้งนี้เพราะโกรธที่บอกข่าวร้ายแก่เขาหรือโกรธที่ปิดบังความจริงเกี่ยวกับอาการของเขาเป็นเวลานานปฏิกิริยาดังกล่าว สมควรได้รับความเข้าใจจากผู้เกี่ยวข้องหากผู้ป่วยสามารถข้ามพ้นความโกรธและปฏิเสธความตายไปได้เขาจะยอมรับสภาพเป็นจริงที่เกิดกับตัวเขาได้ง่ายขึ้น ในการบอกข่าวร้ายสิ่งที่ควรทำควบคู่ไปด้วยก็คือการให้กำลังใจและความมั่นใจแก่เขาว่าเราและแพทย์พยาบาลจะไม่ทอดทิ้งเขาจะอยู่เคียงข้างเขาและช่วยเหลือเขาอย่างเต็มที่และจนถึงที่สุดการให้กำลังใจในยามวิกฤตก็มีประโยชน์เช่นกันดังกรณีเด็กอายุสิบขวบคนหนึ่ง อาการสุดหนักและอาเจียนเป็นเลือ ด, ดร้องอย่างตื่นตระหนกว่าผมกำลังจะตายแล้วหรือพยาบาลได้ตอบไปว่าใช่แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวลูกก้าวไปข้างหน้าเลยอาจารย์พุทธทาตสรออยู่แล้วหนูเป็นคนกล้าหาญข้างข้างหนูก็มีคุณพ่อคุณแม่คอยช่วยอยู่ปรากฏว่าเด็กหายทุรนทุราย และทำตามคำแนะนำของแม่ที่ให้บริกรรมพุทโธขณะที่หายใจเข้าและออกไม่นานเด็กก็จากไปอย่างสงบประโยชน์อย่างหนึ่งจากการบอกความจริงแก่ผู้ป่วยก็คือ ช่วยให้ผู้ป่วยตัดสินใจล่วงหน้าว่าเมื่อตอนมีอาการเพียบหนักไม่มีความรู้สึกตัวแล้วจะให้แพทย์เยียวยารักษาไปถึงขั้นไหนจะให้แพทย์ยืดชีวิตไปให้ถึงที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเท่าที่มีเช่นปั๊มหัวใจต่อท่อช่วยหายใจและต่อท่อใส่อาหารหรือให้งดวิธีการดังกล่าว ช่วยเพียงแค่ประทังอาการและปล่อยให้ค่อยๆสิ้นลมไปอย่างสงบบ่อยครั้งผู้ป่วยไม่ได้ตัดสินใจในเรื่องนี้ล่วงหน้าเพราะไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตัวผลก็คือเมื่อเข้าสู่ภาวะโค ม, ม่าญาติมิตรจึงไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากการขอให้แพทย์แทรกแซงอาการอย่างถึงที่สุดซึ่งมักก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วย โดยมีผลเพียงแต่ยืดกระบวนการตายให้ยาวออกไปและไม่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยซ้ำยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากแนวทางการช่วยผู้ป่วยในประการที่สก็คือ ช่วยให้จิตใจจดจอ่อกับสิ่งดีงามการนึกถึงสิ่งดีงามช่วยให้จิตใจเป็นกุศลและบังเกิดความสงบทําให้ความกลัวคุกคามจิตได้น้อยลงและสามารถเผชิญกับความเจ็บปวดได้ดีขึ้นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกมักแนะนําให้ผู้ใกล้ตายปฏิบัติก็คือ การระลึกถึงและมีศรัทธามั่นในพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จากนั้นก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีลและระลึกถึงศีลที่ได้บำเพ็ญมาพระรัตนตรัยนั้นกล่าวอีกในหนึ่งคือสิ่งดีงามหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ป่วยนับถือส่วนศีล น, นั้น ก็คือความดีงามที่ตนได้กระทา ม, มาเราสามารถน้อมนำให้ผู้ป่วยนึกถึงสิ่งดีงามได้หลายวิธีเช่นนำเอาอพระพุทธรูปหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจนภาพครูบาอาจารย์ที่ผู้ป่วยเคารพนับถือมาติดตั้งไว้ในห้องเพื่อเป็นเครื่องระลึกนึกถึงหรือชักชวนให้ผู้ป่วยทำวัดสวดมนต์ร่วมกันนอกจากการอ่านหนังสือธรรมะให้ฟังแล้วการเปิดเทปธรรมบรรยายหรือบทสวดมนต์เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยน้อมจิตของผู้ป่วย ให้บังเกิดความสงบและความสว่างการนิมนต์พระมาเยี่ยมและแนะนําการเตรียมใจยิ่งเป็นพระที่ผู้ป่วยเคารพนับถือจะช่วยให้กําลังใจแก่เขาได้มากอย่างไรก็ตามพึงคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคุ้นเคยของผู้ป่วยด้วยสำหรับผู้ป่วยที่เป็นคนจีนพระพระโพธิสัต์ หรือเจ้าแม่กวนอิมอาจน้อมนำจิตใจให้สงบและมีกำลังใจได้ดีกว่าอย่างอื่นหากผู้ป่วยนับถือศาสนาอิสลามหรือศาสนาคริสสัญลักษณ์ของพระเจ้าหรือศาสดาในศาสนาของตนย่อมมีผลต่อจิตใจได้ดีที่สุด จากนั้นเรายังสามารถน้อมใจผู้ป่วยให้เกิดกุศลด้วยการชักชวนให้ทาบุญถวายสังฆทานบริจาคทรัพย์เพื่อการกุศลและที่ขาดไม่ได้ก็คือชวนให้ผู้ป่วยระลึกถึงความดีที่ตนเองได้บําเพ็ญในอดีตซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทาบุญกับพระหรือศาสนาเท่านั้น แม้แต่การเลี้ยงดูลูกๆให้เป็นคนดีเสียสละดูแลพ่อแม่ด้วยความรักซื่อตรงต่อคู่ครองเอื้อเฟื้อต่อมิตรสหายหรือสอนสิทธิอย่างไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากเหล่านี้ล้วนเป็นบุญกุศลหรือความดีที่ช่วยให้เกิดความปิติปราบลื้มแก่ผู้ป่วยและบังเกิดความมั่นใจว่าตนจะได้ไปสุขติ ภูมิใจในความดีที่ตนกระทาและมั่นใจในอานิสงส์แห่งความดีดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยในยามที่ตระหนักชัดว่าทรัพย์สินเงินทองต่างๆที่สะสมมานั้นตนไม่สามารถจะเอาไปได้มีแต่บุญกุศลเท่านั้นที่จะพึ่งพาได้ในภพหน้าคนทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจน หรือทําตัวผิดพลาดมาอย่างไรย่อมเคยทําความดีที่น่าระลึกถึงไม่มากก็น้อยไม่ว่าเขาจะเคยทําสิ่งเลวร้ายมามากมายเพียงใดในยามที่ใกล้สิ้นลมสิ่งที่เราควรทําคือช่วยให้เขาระลึกถึงคุณงามความดีที่เขาเคยทําซึ่งเขาอาจมองไม่เห็นเนื่องจากความรู้สึกผิดท่วมท้นหัวใจ ความดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีความสำคัญสำหรับเขาในช่วงวิกฤตขณะเดียวกันสำหรับผู้ป่วยที่ทำความดีมาตลอดก็อย่าให้ความไม่ดีซึ่งมีเพียงน้อยนิดมาบดบังความดีที่เคยทำจนเกิดความรู้สึกไม่ดีกับตนเองบางการณีญาติมิตรจำต้องลำดับความดีที่เขาเคยทำ เพื่อเป็นการยืนยันและตอกย้ำให้เขามั่นใจในชีวิตที่ผ่านมาประการที่4การช่วยปรับเปรื่องสิ่งขังคาใจเมื่อผู้ป่วยรู้ว่าวาระสุดท้ายของชีวิตใกล้เข้ามา สิ่งหนึ่งซึ่งจะทำความทุกข์แก่จิตใจและทำให้ไม่อาจตายอย่างสงบหรือตายตาหลับได้ก็คือความรู้สึกค้างคาใจในบางสิ่งบางอย่างสิ่งนั้นอาจได้แก่ภารกิจการงานที่ยังค้างค้างทรัพย์สินที่ยังแบ่งสรรไม่แล้วเสร็จความน้อยเนื้อต่ำใจในคนใกล้ชิดความโกรธแค้นใครบางคน หรือความรู้สึกผิดบางอย่างที่เกาะกลุมจิตใจมานานความปรารถนาที่จะพบคนบางคนเป็นครั้งสุดท้ายโดยเฉพาะคนที่ตนรักหรือคนที่ตนปรารถนาจะขออโหสิกรรมความห่วงกังวลหรือความรู้สึกไม่ดีที่ค้างคาใจเป็นสิ่งที่สมควรได้รับการปรับเรื่องอย่างเร่งด่วนหาไม่แล้ว จะทำให้ผู้ป่วยทุรนทุรายหนักอกหนักใจพยายามปฏิเสธผลักไสความตายและตายอย่างไม่สงบซึ่งนอกจากจะหมายถึงความทุกข์อย่างมากแล้วในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าจะส่งผลให้ผู้ตายไปสู่ทุกคติแทนที่จะเป็นสุคติ ลูกหลานญาติมิตรควรใส่ใจและฉับไวกับเรื่องดังกล่าวบางครั้งผู้ป่วยไม่พูดตรงๆผู้อยู่รอบข้างควรมีความละเอียดอ่อนและสอบถามด้วยความใส่ใจและมีเมตตาไม่รู้สึกรำคาญในกรณีที่เป็นภารกิจที่ยังข้างค้างควรหาทางช่วยเหลือให้ภารกิจนั้นเสร็จสิ้น หากเขาปรารถนาพบใครควรรีบตามหาเขามาพบหากฝังใจโกรธแค้นใครบางคนควรแนะนำให้เขาให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองอีกต่อไปในกรณีที่เป็นความรู้สึกผิดที่ค้างคาใจเนื่องจากทำสิ่งที่ไม่สมควรในยามนี้ไม่ใช่เวลาที่จะประนามหรือตัดสินเขา หากควรช่วยให้เขาปลดเปลื้องความรู้สึกผิดออกไปอาทิเช่นช่วยให้เขาเปิดใจและรู้สึกปลอดภัยที่จะขอโทษหรือขออโหสิกรรมกับใครบางคนขณะเดียวกันการแนะนำให้ฝ่ายหลังยอมรับคำขอโทษและให้อภัยผู้ป่วยก็เป็นสิ่งสำคัญที่คนรอบข้างสามารถช่วยได้ อย่างไรก็ตามการขอโทษหรือขออภัยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะกับผู้น้อยหรือผู้ที่อยู่ในสถานะที่ต่ำกว่าเช่นลูกน้องลูกหรือภรรยาวิธีหนึ่งที่ช่วยได้คือการแนะนำให้ผู้ป่วยเขียนคำขอโทษหรือความในใจลงในกระดาษ เขียนทุกอย่างที่อยากจะบอกแก่บุคคลผู้นั้นก่อนเขียนอาจให้ผู้ป่วยลองทำใจให้สงบและจินตนาการว่าบุคคลผู้นั้นมานั่งอยู่ข้างหน้าจากนั้นให้นึกถึงสิ่งที่อยากจะบอกเขาพูดในใจเหมือนกับว่าเขากำลังนั่งฟังอยู่ทีนี้ก็นำเอาสิ่งที่อยากบอกเขา ถ่ายทอดลงไปในกระดาษเมื่อเขียนเสร็จแล้วผู้ป่วยจะขอให้ญาติมิตรนำไปให้แก่บุคคลผู้นั้นหรือเก็บไว้กับตัวก็สุดแท้แต่สิ่งสำคัญก็คือการเปิดใจได้เริ่มขึ้นแล้วแม้จะยังไม่มีการสื่อสารให้บุคคลผู้นั้นได้รับรู้แต่ก็ได้มีการปลดเปลื้องความรู้สึกในระดับหนึ่ง หากผู้ป่วยมีความพร้อมมากขึ้นก็อาจตัดสินใจพูดกับบุคคลผู้นั้นโดยตรงในโอกาสต่อไปบ่อยครั้งคนที่ผู้ป่วยอยากขอโทษก็คือคนใกล้ชิดที่อยู่ข้างเตียงนั่นเองอาทิพันรยา สามีหรือลูกในกรณีเช่นนี้จะง่ายกว่าหากผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนด้วยการกล่าวคำให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองในความผิดพลาดที่ผ่านมาการที่ผู้ใกล้ชิดเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนคือการเปิดทางให้ผู้ป่วยกล่าวคำขอโทษได้อย่างไม่ตะกิจตะขวงใจแต่จะทำเช่นนั้นได้ผู้ใกล้ชิด ต้องละทิฐิมานะหรือปลดเปลื้องความโกรธเคืองออกไปจากจิตใจก่อนมีผู้ป่วยคนหนึ่งเมื่อครั้งยังมีสุขภาพดีมีภรรยาน้อยหลายคนไม่รับผิดชอบครอบครัวสุดท้าย ทิ้งภรรยาหลวงให้อยู่กับลูกสาวต่อมาเขาเป็นโรคมะเร็งอาการสุดหนักเป็นลำดับไม่มีใครดูแลรักษาจึงขอมาอยู่บ้านภรรยาหลวงภรรยาหลวงไม่ปฏิเสธแต่การดูแลรักษานั้นทำไปตามหน้าที่พยาบาลสังเกตได้ว่าทั้งสองมีทีท่าห่างเหิน และเมื่อได้พูดคุยกับผู้ป่วยก็แน่ใจว่าผู้ป่วยมีความรู้สึกผิดกับการกระทำของตนในอดีตพยาบาลแนะนำให้ภรรยาเป็นฝ่ายกล่าวคำให้อภัยแก่สามีเพื่อเขาจะได้จากไปอย่างสงบแต่ภรรยาไม่ยอมปริปลาสามีมีอาการซุดหนักเรื่อยๆจนพูดไม่ค่อยได้นอนกระสับกระส่าย รอความตายอย่างเดียวแต่ปรากฏว่าวันสุดท้ายสามีรวบรวมกำลังทั้งหมดลุกขึ้นมาเพื่อเอ่ยคำขอโทษภรรยาพูดจบก็ล้มตัวลงนอนและหมดสติในเวลาไม่นานสามชั่วโมงต่อมาก็สิ้นลมอย่างสงบกรณีนี้เป็นตัวอย่างว่าความรู้สึกผิดนั้น ตราบใดที่ยังค้างคาอยู่ก็จะรบกวนจิตใจเป็นอย่างมากผู้ป่วยรู้สึกว่าตนไม่สามารถตายตาหลับได้หากยังไม่ได้ปลดเปลื้องความรู้สึกผิดแต่เมื่อได้กล่าวคำขอโทษแล้วก็สามารถจากไปโดยไม่ทุรนทุราย ในบางการณีผู้ที่สมควรกล่าวคำขอโทษคือลูกหลานหรือญาติมิตรนั่นเองไม่มีโอกาสใดที่คำขอโทษจะมีความสำคัญเท่านี้อีกแล้วแต่บ่อยครั้งแม้แต่ลูกลูกเองก็ไม่กล้าที่จะเปิดเผยความในใจต่อพ่อแม่ที่กำลังจะล่วงลับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความไม่คุ้นเคยที่จะพูดออกมาสาเหตุอีกส่วนหนึ่ง ก็คือคิดว่าพ่อแม่ไม่ถือสาหรือไม่รู้ว่าตนได้ทำอะไรที่ไม่เหมาะสมลงไปความคิดเช่นนี้อาจเป็นการประเมินที่ผิดพลาดจนแก้ไขไม่ได้มีหญิงผู้หนึ่งป่วยหนักใกล้ตาย พยาบาลแนะนําให้ลูกจับมือแม่และขอคมาแม่แต่หลังจากที่ลูกพูดเสร็จแล้วแม่ก็ยังมีทีท่าเหมือนมีอะไรค้างคาใจพยาบาลสังเกตเห็นจึงถามลูกว่ามีอะไรที่ยังปกปิดแม่ไว้อยู่หรือเปล่าลูกได้ฟังก็ตกใจสารภาพว่ามีเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้บอกแม่เพราะคิดว่าแม่ไม่รู้ นั่นก็คือเรื่องที่ตนได้อยู่กินกับหญิงคนหนึ่งจนมีลูกด้วยกันสุดท้ายลูกได้ไปบอกความจริงแก่แม่และขอโทษที่ได้ปกปิดเอาไว้แม่ได้ฟังก็สบายใจที่สุดก็จากไปโดยไม่มีสิ่งใดค้างคาใจอีก การขอโทษหรือขอขมานั้นอันที่จริงไม่จำเป็นจะต้องเจาะจงต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ได้เพราะคนเราอาจกระทำการล่วงเกินหรือเบียดเบียนใครต่อใครได้โดยไม่เจตนาหรือโดยไม่รู้ตัวดังนั้นเพื่อให้รู้สึกสบายใจและไม่ให้มีเวรกรรมต่อกันอีกญาติมิตรควรแนะนำผู้ป่วย ให้กล่าวคำขอขมาต่อผู้ที่เคยมีเวรกรรมต่อกันหรือขออโหาสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินกันมาทางด้านญาติมิตรก็เช่นกันในขณะที่ผู้ป่วยยังรับรู้ได้ควรกล่าวคำขอขมาต่อผู้ป่วยนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยกล่าวคำให้อภัยหรือให้อโหาสิกรรมต่อญาติมิตรได้ ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ลูกหลานหรือญาติญาติอาจร่วมกันทำพิธีขอขมาโดยประชุมพร้อมกันที่ข้างเตียงและให้มีตัวแทนเป็นผู้กล่าวเริ่มจากการกล่าวถึงคุณงามความดีของผู้ป่วยบุญคุณที่มีต่อลูกหลานจากนั้นก็กล่าวคำขอขมาขออโหสิกรรม สำหรับกรรมใดๆที่ล่วงเกินเป็นต้นประการที่ห้าถัดมาคือการช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆการปฏิเสธความตายขัดขืน ไม่ยอมรับความจริงที่อยู่เบื้องหน้าเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายและเหตุที่เขาขัดขืนดิ้นรนก็เพราะยังติดยึดกับบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถพรากจากสิ่งนั้นได้อาจจะได้แก่ลูกหลานคนรักพ่อแม่ทรัพย์สมบัติงานการหรือโลกทั้งโลกที่ตนคุ้นเคย ความรู้สึกติดยึดอย่างแน่นหนานี้สามารถเกิดขึ้นได้แม้กับคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกผิดค้างคาใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำให้เกิดความกังวลควบคู่กับความกลัวที่จะต้องพลัดพรากสิ่งอันเป็นที่รักเหล่านั้นญาติมิตรตลอดจนแพทย์และพยาบาลควรช่วยให้เขาปล่อยวางให้มากที่สุดเช่น ให้ความมั่นใจแก่เขาว่าลูกหลานสามารถดูแลตนเองได้หรือพ่อแม่ของเขาจะได้รับการดูแลด้วยดีหรือเตือนสติแก่เขาว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของเราเพียงชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องให้คนอื่นดูแลต่อไป ในการช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ใกล้าตายพระพุทธองค์ทรงแนะนำว่านอกจากการน้อมจิตผู้ใกล้าตายให้ระลึกและศรัทธาในพระรันาตนตรัยตลอดจนการบำเพ็ญตนอยู่ในคุณงามความดีแล้วขั้นต่อไปก็คือการแนะนำให้ผู้ใกล้าตายละความห่วงใยในสิ่งต่างๆอทิ พ่อแม่บุตรภรรยารวมทั้งทรัพย์สมบัติรูปธรรมนามธรรมที่น่าพอใจทั้งหลายปล่อยวางแม้กระทั่งความหมายมั่นในสวรรค์ทั้งปวงสิ่งเหล่านี้หากยังยึดติดอยู่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจทำให้ขัดขืนฝืนความตายทุรนทุรายจนวาระสุดท้ายดังนั้น เมื่อความตายมาถึงไม่มีอะไรดีกว่าการปล่อยวางทุกสิ่งแม้กระทั่งตัวตนในบรรดาความติดยึดทั้งหลายไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งแน่นหนากว่าความติดยึดในตัวตน ความตายในสายตาของคนบางคนหมายถึงความดับสูญของตัวตนซึ่งเป็นสิ่งที่เขาทนไม่ได้และทำใจยากเพราะลึกๆคนเราต้องการความสืบเนื่องของตัวตนความเชื่อว่ามีสวรรค์ น, นั้นช่วยตอบสนองความต้องการส่วนลึกดังกล่าวเพราะทำให้ผู้คนมั่นใจว่าตัวตนจะดำรงคงอยู่ต่อไป แต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องสวรรค์หรือพบหน้าความตายกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวอย่างที่สุดในทางพุทธศาสนาตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงหากเป็นสิ่งที่เราทึกทักขึ้นมาเอง เพราะความไม่รู้สำหรับผู้ป่วยที่มีพื้นฐานทางพุทธศาสนามาก่อนอาจมีความเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยแต่คนที่สัมผัส พ, พุทธศาสนาแต่เพียงด้านประเพณีหรือเฉพาะเรื่องทาบุญสร้างกุศลการที่จะเข้าใจว่าตัวตนนั้นไม่มีอยู่จริงคืออนัตตาคงไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ญาติมิตรแพทย์และพยาบาลมีความเข้าใจในเรื่องนี้ดีพอควรแนะนำให้ผู้ป่วยค่อยๆปล่อยวางในความยึดถือตัวตนเริ่มจากความปล่อยวางในร่างกายว่าเราไม่สามารถบังคับร่างกายให้เป็นไปตามปรารถนาได้ต้องยอมรับสภาพที่เป็นจริงว่าสักวันหนึ่ง อวัยวะต่างๆก็ต้องเสื่อมสุดไปขั้นตอนต่อไปก็คือการช่วยแนะให้ผู้ป่วยปล่อยวางความรู้สึกไม่ยึดเอาความรู้สึกใดๆเป็นของตนวิธีนี้จะช่วยลดทอนความทุกข์ความเจ็บปวดได้มากเพราะความทุกข์มกเกิดขึ้นเพราะไปยึดเอาความเจ็บบวดนั้นเป็นของตน หรือไปสำคัญมั่นหมายว่าฉันเจ็บแทนที่จะเห็นแต่อาการเจ็บเกิดขึ้นเฉยๆการละความสำคัญมั่นหมายดังกล่าวจะทำได้ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตใจพอสมควร แต่ก็ไม่เกินวิสัยที่ผู้ป่วยธรรมดาจะทำได้โดยเฉพาะหากเริ่มฝึกฝนขนาดที่เริ่มป่วยมีหลายกรณีที่ผู้ป่วยด้วยโรคร้ายสามารถไปเชิญกับความเจ็บปวดอย่างรุนแรงได้โดยไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยหรือใช้แต่เพียงเล็กน้อยทั้งนี้ก็เพราะสามารถละวางความสำคัญมั่นหมายในความเจ็บปวดได้ ลวอีกในหนึ่งก็คือใช้ธรรมะโอสถเยียวยาจิตใจประการที่6กการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบความสงบใจและการปล่อยวางสิ่งค้างคาติดยึดในใจผู้ป่วยนั้น จะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจำต้องมีบรรยากาศรอบตัวที่เอื้ออํานวยด้วยในห้องที่พรุกพร่านด้วยผู้คนเข้าออกมีเสียงพูดคุยตลอดเวลาหรือมีเสียงเปิดปิดประตูทั้งวันผู้ป่วยย่อมยากที่จะประคองจิตให้เป็นกุศลและเกิดความสงบได้กล่าวในแง่จิตใจของผู้ป่วยแล้วสิ่งที่ญาติมิตร รวมทั้งแพทย์และพยาบาลสามารถช่วยได้เป็นอย่างน้อยก็คือช่วยสร้างบรรยากาศแห่งความสงบงดเว้นการพูดคุยที่รบกวนผู้ป่วยงดการถกเถียงในหมู่ญาติพี่น้องหรือร้องห่มร้องไห้ซึ่งมีแต่จะเพิ่มความวิตกกังวลและความขุนเคืองใจแก่ผู้ป่วยเพียงแค่ญาติมิตร พยายามรักษาจิตใจของตนให้ดีไม่เศร้าหมองสลดหดหูก็สามารถช่วยผู้ป่วยได้มากเพราะสภาวะจิตของคนรอบตัวนั้นสามารถส่งผลต่อบรรยากาศและต่อจิตใจของผู้ป่วยได้จิตของคนเรานั้นละเอียดอ่อนสามารถรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นได้แม้จะไม่พูดออกมาก็ตาม ความละเอียดอ่อนดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในยามปกติหรือยามรู้ตัวเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคมา่าก็อาจสัมผัสกับกระแสจิตของผู้คนรอบข้างได้ดังจะได้กล่าวต่อไป นอกจากนั้นลูกหลานญาติมิตรยังสามารถสร้างบรรยากาศแห่งความสงบได้ด้วยการชักชวนผู้ป่วยร่วมกันทำสมาธิภาวนาอาธิอาณ า, าปานาสติหรือการเจริญสติด้วยการกำหนดลมหายใจหายใจเข้านึกในใจว่าพุทธหายใจออกนึกในใจว่าโท หรือนับทุกครั้งที่หายใจออกจากหนึ่งไปถึง10แล้วเริ่มต้นใหม่หากกำหนดลมหายใจไม่สะดวกก็ให้จิตจดจ่อกับการขึ้นลงของหน้าท้องขณะที่หายใจเข้าออก โดยเอามือทั้งสองข้างวางบนหน้าท้องเมื่อหายใจเข้าท้องป่องขึ้นก็นึกในใจว่าพองหายใจออกท้องยุบก็นึกในใจว่ายุบมีผู้ป่วยมะเร็งบางคนเผชิญกับความเจ็บปวดด้วยการทำสมาธิให้จิตจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือการพองยุบของท้อง ปรากฏว่าแทบไม่ต้องใช้ยาแก้ปวดเลยอีกทั้งจิตยังแจม่มใสตื่นตัวกว่าผู้ป่วยที่ใช้ยาดังกล่าวเสียอีกด้วยการชักชวนผู้ป่วยทำวัดสวดมนต์ร่วมกันโดยมีการจัดห้องให้สงบและดูศักดิ์สิทธิ์เช่นมีพระพุทธรูปหรือสิ่งที่น่าเคารพสักการะติดอยู่ในห้องก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ และน้อมจิตของผู้ป่วยไปในทางที่เป็นกุศลได้แม้แต่การเปิดเพลงบรรเลงเบาๆก็มีประโยชน์ในทางจิตใจต่อผู้ป่วยด้วยเช่นกันแม้ความสงบในจิตใจจะเป็นสิ่งสำคัญแต่ในทางพุทธศาสนา ถือว่าสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้ายและกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าปกติหรือเจ็บ่ข้ก็คือการมีปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจแจ่มชัดในความเป็นจริงของชีวิตอันได้แก่ความไม่คงที่หรืออนิจจังไม่คงตัวหรือทุกขขังและไม่ใช่ตัวหรืออนัตตา ความเป็นจริงสามประการนี้หมายความว่าไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้เลยความตายเป็นสิ่งน่ากลัวเพราะเรายังยึดมั่นบางสิ่งบางอย่างอยู่แต่เมื่อใดเราเข้าใจกระจ่างชัดว่าไม่มีอะไรที่จะติดยึดไว้ได้ความตายก็ไม่น่ากลัวและเมื่อใดที่เราตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมแปรเปลี่ยนไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อใดที่เราตระหนักว่าไม่มีตัวตนที่เป็นของเราจริงๆก็ไม่มีเราที่เป็นผู้ตายและไม่มีใครตายแม้แต่ความตายก็เป็นแค่การเปลี่ยนสภาพจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้น ปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจในความจริงดังกล่าวนี้ทําให้ความตายไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่ารังเกียจผลักไสและช่วยให้สามารถเผชิญความตายได้ด้วยใจสงบการช่วยเหลือที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หลายวิธีสามารถนํามาใช้ได้แม้กระทั่งกับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะโคม่าหรือหมดสติผู้ป่วยดังกล่าวแม้จะไม่มีอาการตอบสนองให้เราเห็นได้แต่ใช่ว่าเขาจะหมดการรับรู้อย่างสิ้นเชิงมีผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยที่สามารถได้ยินหรือแม้แต่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวรวมทั้งสัมผัสรับรู้ถึงพลังหรือกระแสจิต จากผู้ที่อยู่รอบตัวผู้ป่วยบางคนเล่าว่าขณะที่อยู่ในภาวะโคมา่าเนื่องจากคันเป็นพิษตนสามารถได้ยินเสียงหมอและพยาบาลพูดคุยกันบางก็ได้ยินเสียงสวดมนต์จากเทพที่ญาตินำมาเปิดข้างหูมีกรณีหนึ่งที่หมดสติเพราะหัวใจหยุดเต้นถูกนาส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ด้วยการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นหัวใจก่อนที่จะใส่ท่อช่วยหายใจพยาบาลผู้หนึ่งได้ถอดฟันปลอมของเขาไม่นานเขาก็มีอาการดีขึ้นสัปดาห์ต่อมาเมื่อชายผู้นี้เห็นหน้าพยาบาลคนดังกล่าวเขาจำเธอได้ทันทีทั้งทั้งที่ตอนที่พยาบาลถอดฟันปลอมนั้นเขาหมดสติและจวนเจียนจะสิ้นชีวิต หญิงอมรามลีลาเล่าถึงผู้ป่วยคนหนึ่งซึ่งประสบอุบัติเหตุอย่างหนักระหว่างที่นอนหมดสติอยู่ในห้องไอซูนานเป็นอาทิตย์เขารู้สึกเหมือนลอยเคว้งคว้างแต่บางช่วงจะรู้สึกว่ามีมือมาแตะที่ตัวเขาพร้อมกับมีพลังส่งเข้ามาทำให้ใจที่เคว้งคว้างเหมือนจะขาดหลุดไปนั้นกลับมารวมตัวกัน เกิดความรู้ตัวขึ้นมาสักพักความรู้ตัวนั้นก็เลือนรางไปอีกเป็นอย่างนี้ทุกวันเขามารู้ภายหลังว่ามีพยาบาลผู้หนึ่งทุกเช้าที่ขึ้นเวรจะมาจับมือเขาแล้วแผ่เมตตาให้กำลังใจขอให้มีกำลังและรู้สึกตัวในที่สุดเขาก็ฟื้นตัวกลับเป็นปกติ ทั้งๆ ท, ที่หมอประเมินแต่แรกว่ามีโอกาสรอดน้อยมากกรณีนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ชี้ว่าแม้จะหมดสติแต่จิตก็สามารถสัมผัสรับรู้กระแสแห่งเมตตาจิตของผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ ด้วยเหตุนี้ลูกหลานญาติมิตรจึงไม่ควรท้อแท้หมดหวังเมื่อพบว่าผู้ป่วยได้เข้าสู่ภาวะโคม่าแล้วยังมีหลายอย่างที่เราสามารถทำได้เช่นอ่านหนังสือธรรมะให้เขาฟังพูดเชิญชวนให้เขาระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขารบนับถือหรือนึกถึงสิ่งที่เป็นบุญกุศล รวมทั้งระลึกถึงความดีที่เคยบำเพ็ญการพูดให้เขาหายกังวลกับลูกหลานหรือสิ่งที่ตนผูกพันหรือแนะนำให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆก็มีประโยชน์เช่นกันที่สำคัญก็คือการสร้างบรรยากาศแห่งความสงบลูกหลานญาติมิตรควรระมัดระวังคำพูดและการการะทำ ขณะที่อยู่ข้างเตียงผู้ป่วยไม่ควรร้องไห้ฟูมฟายทะเลาะเบาะแวง้งหรือพูดเรื่องที่อาจจะกระทบกระเทินใจผู้ป่วยพึงระลึกว่าอะไรที่ควรทำกับผู้ป่วยในยามที่เขายังรับรู้สิ่งต่างๆได้ก็ควรทำอย่างเดียวกันเมื่อเขาหมดสติหากเคยชักชวนเขาทาวัดสวดมนต์หรือเปิดเทพ บรรยายทำให้เขาฟังก็ขอให้ทำต่อไปแนวทางข้อที่7สุดท้ายสำหรับการให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่ผู้ป่วยก็คือการกล่าวคำอำลา สำหรับผู้ที่อยากเปิดเผยความในใจให้ผู้ป่วยรับรู้เช่นขอโทษหรือกล่าวคำอำลาอย่าไม่สายเกินไปที่จะบอกกล่าวกับเขามีหญิงชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ข้างเตียงสามีด้วยความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจมากเพราะไม่เคยบอกสามีว่าเธอรักเขาเพียงใดมาบัดนี้ สามีของเธอเข้าขั้นโคมา่าและใกล้าตายเธอรู้สึกว่าสายเกินไปแล้วที่เธอจะทำอะไรได้แต่พยาบาลให้กำลังใจเธอว่าเขายังอาจได้ยินเธอพูดแม้จะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองใดๆเลยก็ตามดังนั้นเธอจึงขออยู่กับเขาอย่างเงียบๆแล้วบอกสามีว่า เธอรักเขาอย่างสุดซึง้งและมีความสุขที่ได้อยู่กับเขาหลังจากนั้นเธอก็กล่าวคำอำลาว่ายากมากที่ฉันจะอยู่โดยไม่มีเธอแต่ฉันไม่อยากเห็นเธอทุกทรมานอีกต่อไปฉะนั้นหากเธอจะจากไปก็จากไปเถิดทันทีที่เธอกล่าวจบ สามีของเธอก็ถอนหายใจยาวแล้วสิ้นชีวิตไปอย่างสงบขณะที่ผู้ป่วยกำลังจากไปและสัญญาณชีพอ่อนลงเป็นลำดับหากลูกหลาน ญ, ญ, ญาติมิตรปรารถนาจะกล่าวคำอำลา ขอให้ตั้งสติระงับความโศกเศร้าจากนั้นให้กระซิบที่ข้างหูพูดถึงความรู้สึกดีๆที่มีต่อเขาชื่นชมและขอบคุณในคุณงามความดีของเขาที่ได้กระทำพร้อมทั้งขอขมาในกรรมใดๆที่ล่วงเกินจากนั้น ก็น้อมนําจิตผู้ป่วยให้เป็นกุศลยิ่งขึ้นโดยแนะนําให้เขาปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายลงเสียอย่าได้มีความเป็นห่วงกังวลใดๆอีกเลยแล้วให้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขานับถือหากผู้ป่วยมีพื้นฐานทางด้านธรรมะก็ขอให้เขาปล่อยวางความสำคัญมั่นหมายในตัวตน และสังขารทั้งปวงน้อมจิตไปสู่ความดับไม่เหลือตั้งจิตจุดจ่อในพระนิพพานจากนั้นก็กล่าวคำอําลา จะได้กล่าวคำอำลาผู้ป่วยไปแล้วในขณะที่เขายังมีสติรู้ตัวอยู่แต่การกล่าวคำอำลาอีกครั้งก่อนที่เขาจะสิ้นลมก็ยังมีประโยชน์อยู่ข้อที่พึงตรหนักก็คือการกล่าวคำอำลาและน้อมจิตผู้ป่วยให้มุ่งต่อสิ่งดีงามนั้นจะเป็นไปได้ดีก็ต่อเมื่อ บรรยากาศรอบตัวของผู้ป่วยอยู่ในความสงบไม่มีการพยายามเข้าไปแทรกแซงใดๆกับร่างกายของผู้ป่วยในโรงพยาบาลส่วนใหญ่หากผู้ป่วยอยู่ในห้องไอซและมีสัญญาณชีพอ่อนลงเจียนตายหมอและพยาบาลมักจะพยายามช่วยชีวิตทุกวิถีทางเช่น ประตุ้นหัวใจหรือใช้เทคโนโลยีต่างๆเท่าที่มีบรรยากาศจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและยากที่ลูกหลานญาติมิตรจะกล่าวถ้อยคำใดๆกับผู้ป่วยเว้นแต่ว่าผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยแจ้งความจำงล่วงหน้าว่าขอให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบโดยปราศจากการแทรกแซงใดๆ โดยทั่วไปแพทย์และญาติผู้ป่วยมักจะคิดแต่การช่วยเหลือทางกายโดยลืมคิดถึงการช่วยเหลือทางจิตใจจึงมักสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการแพทย์ทุกอย่างเท่าที่มีเพื่อช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วย ท, ทั้งทั้งที่ในภาวะใกล้ตายสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการมากที่สุดได้แก่การช่วยเหลือทางจิตใจ ดังนั้นหากผู้ป่วยมีอาการหนักจนหมดหวังจะรักษาชีวิตไว้ได้แล้วญาติผู้ป่วยน่าจะคำนึงถึงคุณภาพหรือสภาวะจิตของผู้ป่วยมากกว่าซึ่งหมายความว่าอาจต้องขอให้ระงับการกรุ้มรุมผู้ป่วยปล่อยให้ผู้ป่วยจากไปอย่างสงบทำกลางลูกหลานญาติมิตรที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศ เป็นกุศลสำหรับผู้ป่วยเพื่อไปสู่สุขติจะว่าไปแล้วสถานที่ที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศดังกล่าวอย่างดีที่สุดมักจะได้แก่บ้านของผู้ป่วยเองด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยหลายคนจึงปรารถนาที่จะตายที่บ้านมากกว่าที่โรงพยาบาลหรือห้องไอซหากลูกหลานญาติมิตรมีความพร้อม ที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในทางจิตใจการที่ผู้ป่วยจะตัดสินใจใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายที่บ้านก็เป็นได้ง่ายขึ้น